เรื่องเล่าผีหลอนตอนห้องทางผ่านเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากฝึกงานเสร็จผมเป็นคนต่างจังหวัดแต่ยังคงต้องอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในทางภาคเหนือที่คนชอบไปเที่ยวกันหลังจากฝึกงานเสร็จผมต้องไปหาหอพักใหม่เพราะผมฝึกงานที่อำเภอ ติดติดกับอำเภอเมืองหลังจากหาหอพักอยู่หลายที่ก็ไปถูกใจอยู่หอพักหนึ่งเพราะมีคนพักเยอะดูปลอดภัยสะอาดผมจึงตัดสินใจจองซึ่งมันเหลืออยู่สองห้องโดยที่ผมไม่ได้ดูห้องแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ชั้นไหนซึ่งที่นี่มีอยู่สี่ชั้นครับในสองห้องที่เหลือนี้ มีอยู่ห้องหนึ่งที่ต้องรอคนเช่าเดิมย้ายออกตอนสิ้นเดือนอีกห้องไม่มีคนเช่าอยู่พอมาถึงวันที่หนึ่งผมก็เตรียมของบางอย่างแค่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดแล้วชุดปูที่นอนอีกหนึ่งชุดแค่นั้นเจ้าของหอพักก็ให้เลือกว่าจะอยู่ห้องไหนห้องแรกอยู่ชั้นหนึ่งเจ้าของเดิมเขาเก็บของออกไปหมดแล้ว ห้องก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแต่ห้องนี้ไม่มีระเบียงหลังห้องแดดก็เข้าไม่ถึงพอมาห้องที่สองซึ่งอยู่ชั้นสองพอเดินขึ้นมาก็เจอห้องนี้เลยคือบันไดตรงกับประตูเป๊ะเลยครับที่ตรงประตูก็มีกระจกติดไว้ให้เรียบร้อยจึงเปิดประตูเข้าไปดูห้องก็สว่างแดดเข้าถึงมีระเบียงหลังห้อง ผมจึงตัดสินใจเอาห้องนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออะไรมากถ้าชอบก็คือชอบแล้วก็ขนของขึ้นไปไวที่ห้องแล้วออกไปทานข้าวเมื่อกลับมาถึงห้องก็เป็นเวลาสามสี่ทุ่มแล้วจากนั้นผมก็เตรียมตัวอาบน้ำแก้ผ้าหมดก็เข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเข้าหน้าหนาวแต่อากาศ มันก็ยังร้อนอยู่ผมไม่ได้เปิดเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำก็ไหลยเย็นตามปกติแต่สักพักเราก็ต้องร้องโอ้ยน้ำร้อนมากเหมือนแบบจะโดนน้ำร้อนลวกเบรกเกอร์ดังขึ้นเองไฟเครื่องทำน้ำอุ่นติดผมรีบออกมากดเบรกเกอร์ลงแล้วก็ขึ้นเบรกเกอร์อีกครั้งคิดว่าเบรกเกอร์มันเสียหรือเปล่า แล้วก็ไปอาบน้ำต่อพออาบน้ำเสร็จผมก็ไปนอนแต่นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่หลังจากนอนตื่นขึ้นมาในคืนที่สองพอตื่นนอนก็ตอนประมาณเที่ยงผมก็เริ่มหิวข้าวก็กาลังจะไปอาบน้ำพอกำลังจะเดินเข้าประตูห้องน้ำก็ชะ ง, งักนิดหนึ่งผมยืนดูบเบรเกอร์แล้วก็ลองดึงขึ้นดึงลงมันก็ปกติดี ไม่เห็นว่ามันจะเสียตรงไหนก็ยังนึกอีกว่ามันคงกระตุกเองแล้วผมก็เข้าไปอาบน้ำคราวนี้ไม่มีอะไรน้ำเย็นสบายเมื่ออาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวไปหาข้าวกินกลับมาถึงห้องก็ประมาณเกือบหโมงเย็นคือแบบว่ามันกำลังจะเข้าหน้าหนาวบรรยากาศที่นี่มันมืดเร็ว เมื่อเปิดประตูแล้วก็เปิดไฟไฟก็สว่างปกติจากนั้นผมก็นำเสื้อผ้าไปแขวนไว้ในตู้ซึ่งมีอยู่ประมาณสองสามตัวได้เพราะผมยังไม่ได้นำของอะไรมามากนักในตู้เสื้อผ้ามันก็โลง่งไม่มีอะไรมีแต่เสื้อสองสามตัวที่แขวนไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟกลางห้อง กับไฟที่ระเบียงมันติดติดดับดับคือแบบว่ามันราคาญสายตามากผมก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงดูว่ามันจะหายกระพริบหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่หายผมจึงไปบอกเจ้าของหอซึ่งตอนออกห้องไปไฟมันก็ยังกระพริบอยู่ออกไปตามเจ้าของหอประมาณห้านาทีพอเดินกลับเข้ามาในห้อง ไฟก็สว่างเหมือนเดิมไม่กระพริบอะไรสักอย่างผมก็ยืนงงอยู่สักพักก็บอกเจ้าของหอไปว่าเมื่อกี้ไฟมันยังกระพริบอยู่เลยสงสัยมันจะกลัวเจ้าของหอมั้งครับเจ้าของหอก็ใจดีเช็คไฟให้อีกทีเปลี่ยนให้เลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นก็เป็นปกติไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีหลับหลับตื่นตื่น จึงทำให้ผมตื่นเกือบเที่ยงคืนครับในคืนที่สคืนนี้หลังจากกลับมาถึงห้องประมาณ6โมงกว่ากว่าแต่วันนี้รู้สึกหนาวเย็นยเยือกขึ้นมาตั้งแต่เดินขึ้นบันไดมาจนถึงเปิดประตูห้องมาแล้วเมื่ออาบน้ำเสร็จผมก็นั่งเล่นโน้ตบุ๊กทาโน่นทํานี่ไปก็เริ่มง่วงแล้วบรรยากาศก็เริ่มเงียบและเย็น ที่หอพักที่นี่ช่วงนี้มันเงียบคงเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษากลับบ้านหรือไปไหนกันไม่รู้น่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์ผมก็จําไม่ค่อยได้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าผมก็ขึ้นเตียงนอนเล่นมือถือสักพักก็เริ่มง่วงแต่มันยังนอนไม่หลับผมพยายามผมตานอนก็ยังไม่หลับห้องที่ผมอยู่นั้น คือถ้าเดินขึ้นบันไดามาแล้วก็เดินตรงมาเปิดประตูห้องซึ่งถ้ามองตรงไปจะเป็นประตูระเบียงถ้าเปิดออกไปด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำเตียงนอนของผมจะอยู่ด้านซ้ายหันหัวเตียงติดมุมเป็นแนวขวางติดกับผนังทางเดินไปที่ห้องอื่นแล้วตู้เสื้อผ้าจะติดกับผนังห้องน้ำมีพื้นที่ว่างตรงกลางระหว่างตู้กับเตียง นี่คือลักษณะคร่าวๆของห้องที่ผมอยู่ครับคืนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่ า, วาผมก็ยังหลับหลับตื่นตื่นที่รู้เวลาก็เพราะดูเวลาจากมือถือด้วยแล้วเวลาประมาณเที่ยงคืนผมก็ได้ยินเสียงคนเดินจากข้างนอกที่รู้ก็เพราะในเวลานั้นนอนติดกําแพงห้องที่ติดทางเดินหลังจากนั้น ผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่าได้ยินเสียงดังก๊อกก๊อกแกลกจากที่ระเบียงห้องก่อนแต่ก็ไม่คิดอะไรมากหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วคือในตู้เสื้อผ้ามันเป็นเสียงแบบนี้อยู่นานเป็นชั่วโมงเสียงแบบว่าแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็หายแล้วก็ดังอีกที่จริงก็นอนคิดไปด้วย ว่าคงจะเป็นหนูหรือแมลงอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ได้หันหน้ากลับมาดูผมยังหันหน้าติดผนังอยู่เพราะกำลังกลัวเป็นอย่างมากพอเสียงมันไม่ยอมหยุดผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วทั้งกลัวทั้งง่วงจึงตัดสินใจพลิกตัวกลับหันหน้าไปที่ตู้ตัดสินใจลืมตานอนมองไปที่ตู้ทันใดนั้น เสียงมันก็หายไม่ได้ยินประมาณ15หนาทีแล้วตาของผมก็เริ่มจะปิดลงปิดลงแต่สายตาก็มองไปที่ประตูบานเลื่อนของตู้เสื้อผ้าทันใดนั้นประตูตู้เสื้อผ้าก็เริ่มเลื่อนออกเลื่อนออกมันค่อยๆเลื่อนไปทีละน้อยคือเมื่อเรามองเข้าไปในตู้เสื้อผ้าบานประตู มันจะค่อยๆเลื่อนในตู้เสื้อผ้านั้นมืดมากแล้วตอนนั้นในใจผมเต้นแรงเหงื่อแตกกลัวมากๆจนประตูมันเปิดออกมาได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือผมคิดว่ามันจะหยุดเพราะคิดว่าร่องประตูตู้มันไม่เท่ากันหรือเปล่าผมทนไม่ไหวแล้วรู้สึกกลัวจึงลุกขึ้นไปดันบานประตูปิดไว้อย่างเดิม แล้วยืนคิดว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าผมยืนดันบานประตูแบบนั้นทั้งกลัวทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าปล่อยมือหลังจากที่ตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งไปเปิดไฟที่ประตูห้องแล้วกลับมานั่งขัดสมาธ์บนเตียงจากนั้นก็จ้องไปที่ประตูตู้เสื้อผ้ามันก็ไม่เลื่อน นั่งจ้องสักประมาณสิบนาทีก็ไปปิดไฟเพราะผมง่วงนอนมากมันเกือบจะตีสี่แล้วตอนนั้นแล้วผมก็เอ็นตัวลงนอนแต่มันก็ยังได้ยินเสียงอีกทีนี้ผมจึงตัดสินใจเลื่อนบานประตูเสื้อผ้าเองเลยแต่ก็ไม่มีอะไรครับแล้วผมก็ปิดประตูเหมือนเดิมกลับมานอน หันหน้าเข้าข้างผนังแล้วก็พูดขึ้นว่าจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ไหวแล้วง่วงนอนแล้วผมก็หลับไปเลยครับตื่นมาอีกทีก็บ่ายโมงกว่าในตู้เสื้อผ้ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากเสื้อที่ผมแขวนไว้สองสามตัวแล้วหลังจากที่ตื่นผมก็รีบเปิดคอมออนเฟสเล่าให้เพื่อนฟังเพราะพวกเพื่อน รู้ว่าผมมีเซนต์อะไรประมาณนี้เพื่อนของผมยังถามเลยว่าไหวเจ้าที่หรือยังแต่ผมก็ยังไม่ได้ไหวด้วยครับแล้วมันยังบอกอีกว่าห้องเป็นแบบนั้นจะอยู่ทําไมแต่ก็เจอมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ย้ายออกผมชอบห้องนี้จนได้งานอีกจังหวัดถึงจะย้ายออกเรื่องราวทั้งหมด